สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสนทนสนทนาค่ะเวลาผ่านไปเร็วนะ FM 106 ครอบครัวข่าวนะคะ บะพฤเจ้าบอกถึงเหมือนกับว่ามันต้อนต้อนหมู่สัตว์เข้าต้อนฝูงโค ถ้าตัวเลขลึกๆเข้ามาขึ้น 5 ขึ้น 6 ดิฉันคิดมากแล้วนะคะอืมโอ๊ยทําไมปีที่แล้วผ่านไป 49 อยู่ 50 แล้วอืมๆปีที่แล้วยังอย 59 อยู่ในปีนี้ 60 แล้วโอ๊ยใจหาย <laughs> มันคือคล้ายๆมีชีวิตชีวาสิคะท่านเออทําไมมันก็แค่เพิ่มที 70 บ้างคือ 60 บางคนก็ไม่ไหวแล้ว อายุจะเพิ่ม 1 เนี่ยนะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องมันมันรู้สึกแบบเอ่อเค้าเรียกว่ามีความกระตือรือร้นขึ้นมา 19 20, อะไร, น, น, น อก, มา 20 แล้วคุณไม่รู้สึก นะเสียเนี่ยเป็นการดี 30 เนี่ยคุณประมาทคุณไม่มีความคิดพวก นะ, นะ, 30 ถึง 60 นะถ้าคุณมีความรู้สึก ปัจฉิมวัยน่ะ 60 ไปละเลยได้บางคนน่ะคุณโยมติ๋วก็เกษียณแล้วนะคะอ่าเราก็จะอยู่ในวัยที่มีเพื่อนๆเกษียณอืมมากพี่น้องบางคนๆนะคะคือ เข้ากับธรรมะนี่มันยังด้วยเหตุผลอะไรกันไม่ได้เลยดิฉันก็เลยอืมแต่อ่ะอีกหน่อย ปีหน้าปีหน้าอืมทําไมไม่เหมือนกันคะท่านคะมันเป็นเพราะเวรกรรมหรือเปล่าคะภาษา ของแต่ละคนเนี่ยมันมีความแก่กล้าของอินทรีย์ไม่เท่ากันอินทรีย์คุณโยมติวอินทรีย์มีภูมิมีอินทรีย์แก่ถ้าอินทรีย์อ่อนเห็นอะไรๆเนี่ยมันก็จะไม่เป็นธรรมะ นะคุณเห็นอะไรก็แล้วแต่มันจะน้อมไปใน ดีแค่ตอนฟังอย่างเงี้ยเราไม่สามารถโน้มน้าว 5 อย่างนี้ค่ะนะของใครแก่กล้า ของคนที่เรากําลังพูดอยู่กับเขาเขามีองค์ประกอบ 5 แล้วก็มีการอ่าแนะนําใช่มั้ยคะอ่าก็ผ่านไปไม่สนใจอ่ะ 1 ปี เอ่อตัวนี้ผมเดาใจตามนี้ก็ได้คือหมายความว่ามันไม่ใช่หมายความว่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งใช่มั้ยเรายังมีเรื่องของการให้ทานการรักษาศีลนี้ก็ด้วยนะเราอาจจะไม่ได้ชัก<ใช> ยังไงก็ไม่มาไม่ไปไม่สนไม่ทําอะไรไป 2 ปี 3 ปีคุณโยมติวเอ้ยมาปฏิบัติทําได้เออไม่ใช่คนเดียวนะเห็นนี่<ใช> เนี่ยเพราะมีจาคะไงจาคะคือการจาคะอ๋อคือเหมือนกับว่าต้องใช้วิธีอื่นก่อนอือๆเอาง่ายๆเค้าทํา ตัวเราเนี่ยนะศรัทธาเต็มที่แล้วแต่คนใกล้ตัวที่สุดแล้วแท้มีอิทธิพลอืมยังอืมยังอืมซึ่งซึ่งเนี่ยแต่เค้าไม่ค่ะคือดิฉัน เราก็พยายามลักไคลยายดีสนิทสนมกันคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ เอาไปให้ใส่หูฟังเข้าไปในหูไปให้ใส่หูฟังเข้าไปในหูซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช่ดิฉันเข้าใจเออถ้าสมมุติเรา เข้าสู่มัชฌิมวัยตอนปลายแล้วด้วยนะแล้วยัง 60 กว่าแล้วเพิ่งจะมาเริ่มได้ ค่ะพูดถึงดิฉันเนี่ยที่ถึงได้พยายามหยิบยกๆกันทั้งนั้นถ้าฟังโอ้โหตอน สุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้พูดอะไรอีกแล้วเนี่ยคำนั้นมันต้องสุดยอดสําคัญเลยนะสุดยอดๆร้อยเลยนะเทโอดานี่พึบ นะบอกกับเอ่อหมู่ประชุมที่ประชุมในคู่นะเทวดาเค้าก็ทําๆเพื่อบูชาพฤชาชาพฤชาบอกงี้ตอนสุดท้ายนะบอกว่าสังขารทั้งหลาย เอ่อซึ่งประโยคตรงนี้ก็คือความไม่ประมาทนะความไม่ประมาทถ้าเราประมาทโอ้โหแย่มากๆนะจะนําความเสื่อมมีระการต่างๆนะเอาแค่ว่า เป็นผู้ยินดีในการเอียงข้างเป็นผู้ยินดีในความเคลมลับเห็นไม่เห็นเล็กน้อยนะเราจะต้องค่ะนะใน ชรามีอยู่ในอืมแล้วอะไรอีกนะคะ 2 อย่างเอ่อความเจ็บค่ะอ่าอันเนี้ยดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดูอืมใช่ความอืมความใช่นะอีกอันนึง <ใช>เอ่อในครั้งแรกที่ท่านอ่านเนี่ยตัวเองก็มีความรู้ กรรมการขอบพระคุณท่านไพบูลย์ FM 106 รายการสรรเสริญสนทนาติดตามรับฟังรายการของ